พูดสั้นๆแค่เอาเลยผมเข้าใจเขานึกว่าฉันเศร้าและเครียดเรื่องว่าที่หัวหน้ า, ผานแผนกคนใหม่กระมังเปล่าเลยเรื่องนั้นไม่รบกวนจิตใจฉันอีกแล้วฉันรู้สึกดีด้วยซ้ำที่มีเรื่องเหยียบอัตตาให้เตี้ยลงเพราะหมายความว่าเมื่อผ่านช่วงเวลาทำใจแล้วใจฉันยังสงบราบคาบไดถึงวันนี้ไม่กลับกาเริบอยากตีโพยตีพายขึ้นอีก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 เพิ่งรู้ตัวว่าที่ผ่านมาเมื่อ ย, ยังต้องคลุกกับความคิดเรื่องการงานเป็นลูกจ้างบริษัทเต็มเวลาก็แปลว่าฉันเป็นแค่นักภาวนาภาทไทมในแง่ของคนเดินทางบนเส้นทางสู่มรรคผลก็จัดเป็นพวกอ่อนแอรกระปวกกระเปียกเดินโซซัดโซเซไม่ค่อยจะอยากพ้นต้นทางเสิทธีพอแค่ลาพักร้อนหน่อยเดียว